ในมิลินทปัญหาที่พระนาเกษณตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระตถาคตขจัดหายนะทรงจัดแจงแต่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจริงตรัตธรรมะปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟอยู่โลหิตร้อนร้อนก็ทะลักออกจากปากพิษโุประมาณห0สบรูปจริง ก็แต่ว่าโลหิตร้อนทะลักออกจากปากของพิสุประมาณ60รูปนั้นน่ะมิได้มีเพราะการกระทำของพระตถาคตแต่ทว่ามีเพราะการกระทำของพระพิสุเหล่านั้นเองทีเดียวโลหิตร้อนเนี่ยไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้านะมาจากพฤติกรรมที่ตัวเองทําพลาดเองพระชามิลินก็าถามไ ม, ไม่ไม่ยอมรับนะ ก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าหากว่าพระตถ า, าคตไม่ทรงแสดงธรรมะปริยายอันมีอุปมาด้วยกองไฟภิกูุเหล่านั้นจะมีโลหิตร้อนๆทะลักออกจากปากหรือหนอคำถามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไม้ตายของพระเจ้ามิลินเลยแหละซึ่งพระนาคเสนก็ยอมรับใช่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่ตรัสสูตรนี้พิสูนเหล่านั้นก็เลือดไม่ออกปาก ไม่รอกมหาปพิธแต่ว่าภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติมิชอบคือปฏิบัติพลาดอะนะพอฟังธรรมปริยายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าจึงเกิดความรุ่มร้อนขึ้นในภายในเพราะความรุ่มร้อนนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงเกิดโลหิตร้อนๆ้อนทะลักออกจากปากเข้าทางพระเจ้ามิลินเลยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะพระคุณเจ้า ภิกษุเหล่านั้นเกิดมีเลือดโลหิตร้อนๆทะลักออกจากปากเพราะการกระทําของพระตถาคตในเรื่องนั้นพระตถาคตนั่นแหละทรงเป็นผู้จัดแจงให้ภิกษุเหล่านั้นพินาศเข้าทางอะไรใช่ใช่เลยพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าพระองค์ไม่ตรัสท่านจะกระอักเลือด ก, กันหรือพระคุณเจ้าหากเปรียบเหมือนว่างูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในจอมปลวกต่อมามีบุรุษผู้หนึ่งต้องการผงดิน จึงทุบเอาจอมปลวกโกยเอาผงคลีดินไปการที่บุรุษผู้นั้นโกยเอาผงคลีดินไปก็ถมเอารูงูเข้าเมื่อเป็นเช่นนั้นงูตัวนั้นเมื่อหายใจไม่ได้ก็ตายณที่นั้นพระคุณเจ้างูตัวนั้นถึงความตายเพราะการกระทาของบุรุษผู้นั้นไม่ใช่หรือนะมีอุปมาอนะถ้าหากว่าเขาไม่ขุดเอาดินนะงูจะตายไหมล่ะใช่มหาปพิธเอองูก็ไม่ตายสินะก็เข้าทางไองกพระคุณเจ้า อุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นในเรื่องนั้นพระตถาคตนั่นแหละทรงเป็นผู้จัดแจงภิกษุเหล่านั้นให้พินาศพระอนาคเษนก็ชี้แจงว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระตถาคตเมื่อทรงแสดงธรรมย่อมไม่ทรงกระทําความยินดียินร้ายทรงเป็นผู้พ้นจากความยินดียินร้ายสแสดงธรรมคือพระองค์ไม่ได้มีอภิชาเวลาสแสดงธรรมและไม่มีใจพยาบาทในขณะสแสดงธรรม ประกาศถึงว่าความบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยพระองค์มีความสุดจริตใจเพราะไม่มีใจเจือด้วยราคะเป็นเหตุให้แสดงธรรมไม่มีใจเจือด้วยโทสะเป็นเหตุให้แสดงธรรมและก็ไม่ได้แสดงธรรมด้วยความโง่เขลาง ม, มงายเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่มีอภิชาและโทมนัสในขณะแสดงธรรมเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยปราศจากอภิชาโทมนัสปราศจากโลภะโทสะแสดงธรรมด้วยปัญญาเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมตรัสรู้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติชอบก็ตรัสรู้ตามส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติมิชอบปฏิบัติพลาดผู้นั้นก็ย่อมพลาดตกไปขอถวายพระพรเมื่อบุรุษคนหนึ่งเขย่าต้นมะม่วงก็ดีต้นว่าก็ดี ต้นมะ้างก็ดีในบรรดาผลไม้เหล่านั้นผลเหล่าใดมั่นคงมีขั้วแข็งแรงผลเหล่านั้นก็ยังติดอยู่ที่ต้นไม้นั้นไม่ตกหล่นในบรรดาผลไม้เหล่านั้นผลเหล่าใดมีโคนมีก้านเนา่ามีขั้วอ่อนแอผลเหล่านั้นย่อมตกหล่นฉันใด ขอถวายพระพรพระตถาคตเมื่อทรงแสดงธรรมย่อมไม่ทรงกระทําความยินดียินร้ายทรงเป็นผู้พ้นแล้วจากความยินดียินร้ายแสดงธรรมเมื่อทรงแสดงธรรมอยู่โดยอาการอย่างนี้ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใด เ, เป็นผู้ปฏิบัติชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมตรัสรู้ส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติมิชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมพลาดตกลงไปฉะนั้นเหมือนกันก็คือ าการเขยา่าต้นเปรียบเหมือนเขย่าต้นไม้ใช่ไหมพระธรรมเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุอยู่แล้วแต่ถ้าคนปฏิบัติผิดก็ต้องพลาดไปเป็นธรรมดาขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าชาวนาต้องการหวานโปรยข้าวต้องการจะหวานข้าวเนี่ยนะโปรยข้าวก็เลยไถายนานเมื่อชาวนาผู้นั้นกําลังไถานาอยู่ต้นหญ้าทั้งหลาย ต้นหญ้าหลายแสนต้นก็ตายไปฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตเมื่อจะทรงโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้มีใจสุขงอมคือมีอินทรีย์แก่กล้าให้ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ทรงเป็นผู้พ้นจากความยินดียินร้ายคือพ้นจากอภิชาและโทมนัสแสดงธรรมเมื่อพระองค์แสดงธรรมไปโดยอาการอย่างนี้ ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดปฏิบัติชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมตรัสรู้ส่วนว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติผิดภิกษุเหล่านั้นก็ย่อมตายไปเหมือนหญ้าฉะนั้นเหมือนกันที่จริงเนี่ย น, นะพระเจ้าไม่ลินไม่ยกเอาที่อีกที่หนึ่งว่าพระพุทธเจ้าแสเดงธรรมและอีกคนหนึ่งตกนรกเลยนะมีเรื่องมาคันตยสูตรเนี่ยนะมาคันธยสูตรมีอยู่ครั้งหนึ่งมาคันตยะพราหมณ์มาคันธยะพรามณ์นี่เป็นชาวกุรุเป็นชาวกุรุรัต เขามีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งนางมีผิวเหมือนทองเคาว่างันเขาบอกว่าคนทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์เป็นต้นครืหาปดีเสษฐีสองคนไปสู่ขอเอาลูกสาวของเขาเขาบอกเขาไม่ยอมยกให้ใครที่มีผิวไม่เป็นทองเหมือนลูกเขาเพราะฉะนั้นเขาจะให้แต่คนงามเหมือนลูกสาวเขาเท่านั้นนี่ก็วันหนึ่งพราหมณ์นี้เขาจะไปทํางานแต่เช้าตรูอจะไปบูชายันไปอะไรของเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าออเขา้าเห็นผิวแลล้ววเเออี่สิจงจงะคคููครรกกับกา ก็เลยบอกสมณนสมมนอยู่จุดจุดก่อนนะครับพระเจ้าจะให้ลูกสาวท่านว่ากันท่านอยาไปไหนนะรออยู่นี่นะเดี๋ยวจะไปเอาลูกสาวแต่งตัวให้แล้วจะยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้าก็ก็ก็นิ่งรับอ่ะนะเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกเนี่ยน ะ, นะเขาก็กลับไปไปบอกนางพรามณีบอกว่านี่นี่แต่งตัวให้ลูกสาวเราเร็วไปเจอผู้ชายที่สมควรได้แล้วนะเจอแล้วคู่คู่ของลูกสาวเราแท้แท้เลยแหละก็เลยจับให้แต่งตัวเบ็ดเสร็จก็เดินไป ก็แต่งตัวไปเนีปไปถึงก็ที่ที่บอกให้พระพุทธเจ้าตอนบินธบาตยืนรอพวงก็ไม่รอพวงก็เดินไปที่อื่นก่อนไปนั่งรออยู่ที่หนึ่งในสามีภรยาเข้าไปเจออาเมียเขาถามว่าไหนสมณะที่ท่านว่าอยู่ที่ไหนไม่เห็นเอ๊ะไปไหนแล้วก็ดูดูไปก็เห็นรอยเท้านางพระมณีเนี่ยเรียนวิชาลักษณะมาเรียนตำราหมอดูมาหมอดูลายมือลายเท้าเนี่ยนะก็ไปเห็นลายเท้าเขา้าเห็นรอยการเหยียบการกด ก็กโอ้ปล่าประโยชน์แน่เนี่ยท่านเนี่ยก็บอกว่ารอยเท้าของคนมีราคะอย่างหนึ่งรอยเท้าคนมีโทสะอย่างหนึ่งร้อยเท้าของคนโมหะก็อย่างหนึ่งแต่เนี่ยรอยเท้าอย่างไม่มีกิเลสหรอกไม่มีผลหรอกเอาลูกสาวมาให้ท่านก็ไม่รับหรอกเฮ้ยเธออย่าพูดมากพวกเธอเนี่ยประเภทสองแต่ตำราเขา้าว่านั้นก็เลยตำหนิเมีย ว, ว่าพวกนี้หนักแต่ทางตำราก็เลยชวนกันไปเท่าพุทธเจ้า แล้วพระองค์ก็แสดงค่อนข้างนักนะว่าความพอพระองค์ก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าทําไมพระองค์มาบวชแล้วก็เมื่อบวชตรัสรู้แล้วเนี่ยนะที่ดามานสามคนก็มาพระองค์ก็บอกว่าความพอใจในเะมถุนธรรมไม่มีแก่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางราคาและนางอรดีฉนัยความพอใจในเะมถุนธรรมจะมีในเพราะที่ดาของท่านที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเล่าก็เลยแสดงไปเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้ว อแล้วก็เขาก็ถามเอาแล้วท่านต้องการอะไรพระพุทธเจ้าก็แสดงทำไปจบผัวเมียก็บรรลุเป็นพระอนาคามีแต่ลูกสาวเนี่ยพอบอกว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งก็บอกว่าเราไม่ต้องการแตะต้องสรีระแห่งท่านแม้ด้วยเท้าไอ้คานี้แหละมันโกรธจัดเลยนะก็บอกว่าไม่เอาเราก็น่าจะพูดกับเราดีๆก็ได้แล้วยังมาเปรียบเราเป็นอุจจาระแล้วไม่อยากจะแตะเนื้อต้องตัวเราแม้ด้วยเท้าอีกแคแค้นมากสมณะเดียวรู้กันอย่างั้น จันจะต้องสร้างความเสียหายให้แกให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนหลังพ่อแม่ก็เป็นพระนาคามีก็เลยชวนกันออกบวชเป็นพระอรหันต์กันหมดเสร็จแล้วก็เขาก็นายมาคันธิยะเนี่ยนะผู้เป็นอาก็เลยเอาพระนางมาคันธยาเนี่ยไปถวายพระเจ้าอุเทนไปเป็นม่อาเหีศีองค์ที่สองแลพระเจ้าอุเทนมีมเหสีสามองค์ก็คือพระนางสามาวดีพระนางวาลสุทัตตาแล้วก็นางมาคันธิยาเนี่ยนะ แล้วก็นางมาคันธยาตอนหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองโกสัมพีนางก็เลยจ้างให้คนเนี่ยรับจ้างด่าเนี่ยนะก็ไปจ้างด่าเพราะนั้นใครก็ตามที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนั้นชื่อว่าคู่เวนตอนหลังก็สั่งให้เผาปราสาทของนางสา ม, มาวดีพร้อมกับบริวารอีก500รงานนั้นก็สั่งเผาอริยะ500รูปเนี่ยนะตอนหลังอีกก็อัน น, นก็คือหาเรื่องจ้างคนด่าพระพุทธเจ้า แล้วในที่สุดนางก็ถูกไถเนี่ยนะถูกเออบริวารถูกไถแล้วตัวเองเนี่ยก็พระเจ้าอุเทนเนี่ยโกรธมากเลยที่ไปเผานางสามาวดีเนี่ยก็เลยสั่งให้ไปทอดกระทะเดือดแล้วก็เฉือนเนื้อออกทีละชิ้นแล้วก็ทอดทอดเสร็จแล้วมาให้มาให้นางมาคันธยานี่กินถ้าเจอตรงนั้นเข้าในบางคนก็อาจจะทําใจไม่ได้ว่าเอ้าทําไมพระ อ, องค์รู้ไหมว่าเทศอย่างนี้แล้วจะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปพระ อ, องค์รู้ไหมรู้ แต่พระองค์ไม่ได้เอามามนสิการคืออะไรพราะรู้อยู่แล้วว่ามันคนมันโปรดไม่ขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าเพราะยังไงอ่ะคนนี้เนี่ยยังไงก็บ่ายหน้าไปสู่อบายอยู่แล้วพระองค์ตรวจตราดูแล้วว่าสารณะก็ไม่มีศีลก็ไม่มีสมถาวิปัสนาไม่มีแก่บุคคลนี้พระองค์ก็ไม่มนสิการแปลว่าไม่เก็บเอามาคิดเนี่ยนะไม่เก็บเอามาคิดเมื่อไม่เก็บเอามาคิดพระองค์ก็มุ่งไปช่วยคนที่สมควรแก่การ ช่วยด้วยเทศนาชนิดใดแล้วเขาจะบรรลุมรรคผลพระองค์ถือเอาตรงนั้นเป็นประมาณนั้นคนไม่บรรลุเนี่ยเขาเรียกว่าพระองค์ไม่ได้เก็บเอามาไว้สิการเลยว่างั้นเถแต่ถ้าเขาจะเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตพระองค์ก็จะใช้คําที่ที่จะช่วยเหลือเขาแต่ว่าที่แน่ๆเลยพระองค์ต้องการเอาผู้จะตรัสรู้เป็นประมาณเนี่ย น, นะคนที่เฝ้าวัตตะปกติมันก็เฝ้าวัตตะอยู่แล้วล่ะถ้าไม่มาทําบาปเรื่องนี้มันก็ไปทําบาปอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละเนี่ยนะเดี๋ยวอย่างคล้ายๆกรณีพระเทวทัตเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันว่าทุกอย่างที่พระองค์รำเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยอย่างกรณีนางสามาวดีเนี่ยนางสามาวดีทําเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าทําแต่แล้วถามว่ามันโดยความเป็นจริงอ่ะจริงๆและจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไหมล่ะมาคันธ ย, ยาเนี่ยนะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไหมบอกจริงแต่ถามว่าทําไมทําใจไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีอัธยาศัยที่จะยอมรับความจริงก็เลยไปโกรธคนที่พูดความจริงเนี่ยนะก็ไปทําชั่วก็แสดงว่าเกิดจากมิจฉาปณิธิตั้งจิตเอาไว้ผิดพลาดนั่นเองน้สรุปว่าพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อจัดแจงสิ่งที่นําทุกนําโทษออกไป อีกอุปมาหนึ่งนะมาดูว่าขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าคนทั้งหลายย่อมใช้แป้นยนต์บีบอ้อยเพราะเหตุแห่งรถต้องการรถน้ําอ้อยเนี่ยแล้วก็ต้องบีบอ้อยเมื่อคนเหล่านั้นกําลังบีบอ้อยอยู่บีบอ้อยไปก็ไปบีบเอาหมูนอนที่ไตยอยู่ตามหน้าแป้นยนต์ฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตเมื่อจะทรงโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้มีใจสุขงอมมีอินทรีย์แก่กล้าให้ตรัสรู้ พระองค์ก็ใช้แป้นยนต์คือธรรมเทศนาบีบคั้นเอาฉะนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติผิดภิกษุเหล่านั้นก็ย่อมตายไปเหมือนหมูนอนฉะนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิลินก็ไม่ยอมนะพระคุณเจ้าถ้าภิกษุเหล่านั้นพลาดตกลงไปอะ่ะเพราะพระธรรมเทศนาเหล่านั้นไม่ใช่หรือประเด็นก็คือบอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศเขาไม่ตกนก เพราะฉะนั้นนี่ก็เพราะพระพธรรมเทศนาใช่ไหมเขาจึงกระอักเลือดกันนะ่ะเพราะพระพธรรมเทศนาใช่ไหมก็ว่าอุปมาให้ฟังอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเหมือนอย่างว่าช่างถากไม้เมื่อจะถากไม้ทําไม้ให้ตรงทําไม้ให้เกลี้ยงเกลาอ่ะจะต้องเก็บรักษาไม้ทุกทุกทุกหมดเลยใช่ไหมต้องการจะทําไม้ให้ตรงเนี่ยเก็บหมดเลยใช่ไหมเก็บเอาทั้งทั้งอะไรนะสมมุติทามไม้เอ่อเก็บ เอาทั้งปมทั้งกิ่งทั้งเปลือกทั้งใบทั้งอะไรไว้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าต้องการไม้ตรงๆสักอันหนึ่งหาม่ได้พระคุณเจ้าช่างถากจะคัดเอาส่วนที่มีโทษออกไปทําไม้ให้ตรงให้เกลี้ยงกล่ำก็อไอ้ตรงไหนที่มันคดมันงองมันก็ต้องถากออกไปขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระตถาคตเมื่อจะทรงรักษาบริษัทไม่ทรงอาจทําบริษัทผู้ไม่สามารถ ตรัสรู้ให้ตรัสรู้ได้พระพุทธเจ้าช่วยคนไม่มีอุปนิสัยให้บรรลุไม่ได้นี่นะแต่ว่าทรงคัดสัตว์ผู้ปฏิบัติมิชอบทั้งหมดให้ออกไปนี่นะเพราะว่าเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ตรัสรู้อยู่แล้วโปรแต่สัตว์ผู้จะตรัสรู้ได้เท่านั้นเพื่อให้เขาตรัสรู้ขอถวายพระพรภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบเหล่านั้นย่อมพลาดตกลงไปเพราะการกระทําของตน ขอถวายพระพรต้นกล้วยไม้ไผ่แม่ม้าอัสดรย่อมตายเพราะลูกที่เกิดในตนเองฉันใดภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบคือปฏิบัติผิดเหล่านั้นก็ย่อมตายคือพลาดตกไปเพราะการกระทําของตนฉะนั้นเหมือนกันคือที่ตกต่ําลงไปเพราะพฤติกรรมของตัวนะไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าขอถวายพระพร พ, รพวกโจรถูกควักลู ก, กตาโนะบราณนี้เหี้ยมมากนะควักตาเลย ถูกเสียบด้วยเหลาเสียบตรงไหนก็เสียบก้นด้วยเหลาถูกตัดศีรษะโจรเหล่านั้นถูกถูกทแบบนั้นเพราะการกระทําของตนฉันใดขอถวายพระพรภิกษุผู้ปฏิบัติมิชอบเหล่านั้นก็ถูกฆ่าคือพลาดตกลงไปเพราะการกระทําของตนฉะ น, นั้นเหมือนกันขอถวายพระพรภิกษุประมาณ60รูปเหล่านั้นเกิดมีโลหิตร้อนๆทะลักออกจากปาก ข้อที่ภิกษุเหล่านั้นมีโลหิตทลักออกจากปากนั้นหาเป็นเพราะการกระทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าไหมหาเป็นเพราะการกระทำของคนอื่นไหมแต่ทว่าเป็นเพราะการกระทำของตอนเองคือของพระภิกษุเหล่านั้นนั่นแหลพระเจ้ามิลินก็ไม่ยอมพอใจเนี่ยนะบอกอธิบายให้มันยิ่งวันนี้อีกเถอะ พนาเกษร์ก็บอกขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งให้ยาอมตะแก่ทุกคนเรียกว่าให้ยาเพื่อความไม่ตายเนี่ยนะคนเหล่านั้นกินยาอมตะเหล่านั้นแล้วก็ถึงความเป็นผู้ไม่มีโรคมีอายุยืนพ้นจากเสนีย์จันไรทั้งปวงต่อมามีบุรุษอีกคนหนึ่งดืง่มอมตะนั้นโดยผิดวิธีการ แล้วถึงแก่ความตายขอถวายพระพรบุรุษผู้ให้ยาอมตะนั้นพึงได้บาปอะไรอะไรเพราะเหตุที่ให้ยาอมตะแก่คนทั้งหลายนั้นบ้างหรือหนอคือให้ยาทุกคนอ่ะนะให้ยาตามสมควรแหละและให้ยาไปมันมีบางพวกไปกินผิดประเภทเรียกว่าไม่กินตามฉลากเนี่ยนะไม่กินตามคําแนะนําตายแล้วก็ถามว่าคนให้นี่มีโทษไหมบอกหาไม่ได้พระคุณเจ้า ขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันพระตถาคตก็ทรงมอบธรรมทานอันเป็นยาอมตะแก่พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพระ菩萨เป็นผู้สมควรบรรลุมรรคผลสัตว์เหล่านั้นก็ย่อมตรัสรู้ได้ส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นผู้อาภัพไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลสัตว์เหล่านั้นก็ย่อมถูกพระธรรมเทศนาฆ่าตาย คือพลาดตกไปจากพระธรรมวินัยนี้คือคือไอคำว่าตายเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมเทศนาเป็นตัวไปเชื้อเฉือนนะไม่ใช่แต่หมายคาว่าขึ้นสู่พระธรรมเทศนาไม่ได้ก็เรียกว่าพลาดเองเนี่ยนะเหมือนกับว่าคนที่พิการแล้วอะ่ะคลานไปไม่ทันรถอ่ะนะคล้ายๆ ล, ล, ลักษณะนะั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่พลาดไปจากรถคล้ายๆแบบนั้น น, นนะขอถวายพระพรธรรมดาว่าอาหารย่อมรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเอาไวา้ แต่ว่าสัตว์บางพวกบริโภคอาหารเหล่านั้นแล้วตายเพราะโรคลงท้องขอถวายพระพรบุรุษผู้ให้อาหารแก่เขานั้นพึงได้บาปอะไรอะไรเพราะเหตุที่ได้ให้อาหารนั้นบ้างหรืออย่างเช่นอันนเรื่องนางสามาวดีเมื่อกี้กว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอนะนางสามาวดีเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีที่เกิดในเมืองที่มีอะฮีวาตกรโรคลงเยอะแล้วก็ชวนพ่อแม่เนี่ยหนีไป พอหนีไปก็จะไปเข้าไปพึ่งโคสก่าเศรษฐีที่เป็นเพื่อนของพ่อไอเวลาเข้าไปถึงเนี่ยนะไปถึงเมืองก็ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเศรษฐีตกยากมาใช่ไหมหนีตายมาจะไปพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ตอนนั้นมันสะบักสะบอมพร้อมกลองการเนี่ยจะเข้าไปหาเพื่อนก็ถือว่ายังไม่ค่อยเหมาะสม ขนาดว่าขนาดว่าพ่อแม่เห็นสภาพของลูกขนาดนี้ยังไม่อยากจะต้อนรับอนะจะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราบำรุงสุขภาพตัวเองให้ดีสักสองสามวันก่อนแนละ้วค่อยเข้าไปหาเพื่อนนี้ที่ที่บ้านของโพสการเศรษฐีเขาจะตั้งโรงทานเอาไว้ตั้งโรงทานนาสาวมาวดีนี่ก็เข้าไปขอทานเข้าไปรับอาหารในโรงทานบอกว่านางจะรับกี่ส่วนก็บอกว่ารับสามส่วนรับสามส่วนแล้วก็เอามาให้พ่อให้แม่คนละส่วน ตัวเองก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไอความที่รักพ่อนะรักพ่อตัวเองก็ทานนิดเดียวแม่ก็รักสามีเหมือนกันตัวเองก็ทานนิดเดียวอาหารเนี่ยเท่ากับว่าสองคนครึ่งเนี่ยเศรษฐีคนนั้นทานหมดเลยตกคืนนั้นอาหารไม่ย่อยตายนทีนี้นวันที่2ก็เลยไปขอมาได้อีก2 ส, ส่วนนาสามาวดีก็ทานส่วนเดียวก็ให้แม่ทาน1ส่วนครึ่งแม่ก็ตายถามว่าโคสกเสัเศรษฐีนี่จะได้บาปบ้างไหม เอาให้อาหารไปทุกวันทุกวันเจ้าของโรงทานเนี่ยเขาไปกินอาหารนั้นตายอ่ะโคสกะเศรษฐีนั้นจะบาปบ้างไหมเราไม่บาปเรา ท, ที่ก็ตายไปเนี่ยเพราะกินผิดวิธีเองไม่ใช่เจตนาของผู้ให้ฉันใดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ฉะ น, นั้นไม่ใช่พระองค์มีพระประสงค์จากฆ่าผู้อื่นด้วยพระธรรมเทศนาด้วยเจตนามุ่งร้ายต่อเขาพระองค์นี้แสดงธรรมโดยใจที่ปราศจากอภิชาและโทมานะปราศจากความโลภความโกรธและ ความหลงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์เพราะฉะนั้นพระนาคเษงก็เลยกล่าวว่าอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉ น, นั้นเหมือนกันพระตถาคตก็ทรงมอบอาหารอามตะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุสัตว์เหล่าใดเป็นพักผัสสัตว์อนนะัสัตเป็นผู้ไม่มีกรรมมาวอกิเลสาวรนเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นก็คู่ควรแก่การ ตรัสรู้อาหารอมะตะคือพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นเขาผู้ไม่มีเครื่องกัน้นกิเลสาวนวิปากาวรเป็นต้นเนี่ยเขาก็สมควรที่จะรู้เห็นแทงตลอดอริยสัตว์ส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นอาภัพเป็นผู้อภัพคือมีกรรมมาวักิเลสาวรเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นก็ถูกอาหารอมะตะคือพระธรรมเทศนาทําให้ตายเพราะว่าในศาสนานี้คนดีกับคนชั่วไม่อยู่ร่วมกัน นะไม่ใช่ว่าคนดีแล้วก็จะเอาคนเลวเนี่ยมาอยู่คลักเคล้ากันไปไม่ใช่เพราะคำสอนในพระาศาสนาเนี่ยอาเสวนาจะาพาลานังปันดิตานันจะเสวนาเพราะถ้ามีคนชั่วเมื่อใดก็มีการลงโทษถ้าหากว่าชั่วจริงๆก็ต้องคัดออกไปเนี่ยนะก็ต้องคัดออกไปเหมือนกับมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับ ซากศพฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับผู้ทุกศีลฉันนั้นพันด้วยธรรมเทศนาเป็นต้นด้วยคณะสงฆ์ก็จะกันเอาคนทุศีลเป็นต้นออกไปพระเจ้ามิลินก็ตอมรับยอมรับว่าสาธุพระกุณเจ้าข้าพเจ้าขอยอมรับคําพูดตามที่ท่านกล่าวสรุป ว, ว่าพระพุทธเจ้านี้ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหันออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จริงที่เรียกว่าคัดสรร น, นําแต่ประโยชน์สุขไปให้แก่ สรรพสัตว์เจิงพันพระองค์แสดงธรรมเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายนั่นและวนั่นก็ตกว่ายอมรับะนะ